ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเราต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่หยุดพักเสาร์อาทิตย์กันไปรายการสันสนีสนทนาํำเนินรายการโดยดิฉันสันส น, นาพงษ์ค่ะขออากาศทางสถานีวิทยุครอบรครัวข่าว FM-106 รรายการนี้ก็เป็นรายการที่เรามาสนทนากันเป็นหลักเลยในเรื่องของ พระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็เราจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พระพุทธองค์สอนมากน้อยเพียงใดเพื่อความเข้าใจให้ถ่องแท้มากขึ้นนอกนือจากสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หรือว่าพุททวจนะเนี่ยนะคะก็จะมีประสงค์ที่นำเอาความกระจางในเรื่องนี้ให้เราเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวจนะเนี่ยนะคะมา มอบให้กับท่านทั้งหลายแล้วก็เป็นรายการที่ไม่เพียงแต่ให้ท่านได้รู้เท่านั้นแต่จะให้ท่านมีโอกาสได้ปฏิบัติไปพร้อมๆกันนับตั้งแต่นาทีแรกที่เราได้มีการสนทนากับพระอาจารย์เพบุญพิปุณโนเลยนะคะซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่มินาทีต่อไปฉันขอเรียนให้ท่านทั้งหลายเตรียมพร้อมทัละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้กาลังจะ พาท่านไปพบกับพระภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโสอุดรธานีกราบนมัสการกับท่านค่ะเจีบ่บอนในช่วงที่เริ่มต้นของวันเราตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นการดีที่เราจะมาตั้งสตินะสำรวมจิตใจโดยการให้เรามาระลึกถึงลมหายใจของเรา ล, ลมหายใจเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ปรุทธเ้านั้นตัวพระคเองก็ใช้แล้วก็แนะนาให้สาวกใช้ในการที่จะ ตั้งสติเอาไว้โดยให้เรามาระลึกถึงลมหายใจเวลาที่ลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกยังเป็นธรรมชาติธรรมดานี้ให้เรามาระลึกถึงมากําหนดรู้มารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ยังเป็นธรรมชาติในขณะที่เรารู้ลมไปด้วยอยู่นี้เราก็สามารถฟังธรรมะไปด้วยได้โดยการตั้งสติตั้งจิตของเราไว้ที่ลมหายใจและเราก็ใช้จิตในการฟัง การใช้จิตในการฟังก็หมายถึงให้เราอยู่กับความสงบในใจในเวลาที่มีความสงบอยู่ในใจมีเสียงใดมากระทบเราก็รับรู้ไปแล้วก็รู้ลงไปใจไปด้วยแล้วเราฟังพระสูตรที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปนิพพานนเป็นเรื่องที่สามารถทําได้โดยสมัยนั้นพระเจ้าอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ํำคงคาและได้เห็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งกําลังลอยมาตามกระแส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 ไม่ถูกเกลี่ยน้ำวนบนไว้และไม่ผุเสียเองในภายในไซตท่อนไม้ที่กล่าวถึงนี้จะลอยไหลพุ่งออกไปสู่ทะเลประเหตุว่าลาแม่น้ำคงคาโน้มน้อมรุ่มราดเอียงเทไปสู่ทะเลอุปมานี้ฉันใดอุปมัยก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้พวกเธอทั้งหลายถ้าพวกเธอ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 คำว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกเป็นชื่อของความสำคัญว่าเรามีเราเป็นคําว่าถูกมนุษย์จับไว้ได้แก่ภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ระคนด้วยเครือหัดเพลิดเพลิน ด, ด้วยกันเศร้าโศกด้วยกันมีสุขเมื่อเครือหัดเหล่านั้นมีสุขเป็นทุกข์เมื่อเครือหัดเหล่านั้นเป็นทุกข์ ประกอบการงานในกิจการที่บังเกิดขึ้นแ ก, ก่ฤหษสเหล่านั้นด้วยตนพิกษุแบบนี้เราเรียกว่าผู้ถูกมนุษย์จับไว้คาว่าถูกอะมนุษย์จับไว้ได้แก่พิกษุบางรูปในกรณีนี้ประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเป็นเทพในนิกายใดนิกายหนึ่งด้วยศีลนี้ หรือด้วยวัดนี้หรือด้วยตบานนี้ได้ตั้งความปรารถนาว่าเราจะได้เป็นเทวดาผู้มีศักดาใหญ่หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์าน้อยยังได้อย่างหนึ่งภิกษุแบบนี้เราเรียกว่าผู้ถูกอมนุษย์จับไว้คำว่าถูกเกลียวน้ำวนวนไว้เป็นชื่อของกามกุลทั้ง5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 ก็ปฏิญญาว่าเป็นคนประทึกปรมจันเป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหม ม, มเหมือนบอ่อที่เดขยะมูลฝอยแบบนี้แหละเรียกว่าผู้เน่าเสียเองในภายในท่านพิบูลคะ่ะนั้นเท่าเท่ากับว่าเราจะต้องมีความตั้งใจว่าตรงแน่แน่ไปแล้วก็ยังไม่พอถูกไหมครับว่า มันทีมันอาจเป็นอุปสรรคภายนอกที่ม่ตัวเราด้วยกว่าจะไปถึงทะเลเนี่ยเอ่อเราเราเริ่มมาวิเคราะห์ประสูตรนี้นิดหนึง่งว่าตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ํำคงคาแล้วกว่าตอนนั้นก็คืออยู่แถาๆเมืองอุดเจรนะครแตนะ่ซึ่งเป็นเมืองที่ไกลาจากทะเลมากถ้าขับรถในประเทศอินเดียสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเป็นสิบชั่วโมงแต่แล้วเดินเท้านี่ไม่ต้องพูดถึงไกลมากแน่นอนแต่ซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นก็มี มีไม้ลอยมาแล้วก็กว่าไม้เนี่ยจะไปถึงทะเลได้แล้วก็ต้องเจออุปสรรค8อย่างนี้นะมีอุปสรรค8อย่างที่พระเจ้าเล่าให้ฟังเนี่ยนะซึ่งซึ่งมันเป็นไปได้ที่มันจะไปถึงทะเลซึ่งไกลามากแต่ว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้อาถามว่าไม้ตรงนี้มาได้อย่างไรนั่นคือก็มีคําอธิบายในที่นี่ยคุณโยมติที่บอกว่าไม้เนี่ยปกติมันก็จะอยู่บนต้นใช่ไหมแต่ว่าบางทีเป็นไม้อาจจะเป็นไม้ที่เขาช่างไม้เนี่ย หรือว่าพวกคนหาไม้เนี่ยเขาไปตัดมาเรียบร้อยแล้วถากเรียบร้อยแล้วน่ะวางไว้ริมน้ําเพื่อที่จะมาขนไปแต่ปรากฏฝนตกอะไรต่างก็พัดมาหรือบางทีเจอเถาวันพันน้ําไม้นี่ตกลงมาเดีวนะก็เลยลอยมาอาจจะเป็นไม้ที่ถากแล้วหรือยังไม่ได้ถากก็ตามตัวนี้เคยมีอีกที่หนึ่งที่เคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าไม้บางประเภทเนี่ยผูกคาต้นนะ่ะไมไ่สามารถลงมาได้ก็มแีแต่ไม้ที่มันลงมาน้ําแล้วจะพุ่งไปสู่ทะเลเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนกับคน ถ้าเป็นถ้าเป็นพระก็คือบวชแล้วได้มีโอกาสมาบวชกําลังลอยไหลามาตามกระแสน้ําละถ้าเป็นฆราวาสก็คือเข้าสู่กระแสทางธรรมรู้จักฟังธรรมะบ้างรู้จักปฏิบัติธรรมบ้างอะไรอย่างนี้แต ค, คือคือมันจะมีส่วนที่เพลิดเพลินอยู่แตส่วนที่ไม่สนใจอะไรต่างอะก็มีก็คือเปลือยชุมเือบที่ยังไม่ได้ลงมาในน้ําตรงนี้ค่ะทีนี้พอลงมาในน้ําแล้วบวชแล้วหรือว่าเริ่มมาศึกษาธรรมะแล้ว มันก็จะต้องเจออุปรสรรคอีก8อย่างนี้นะต้องระวังอุปรสรรคอันดับแรกกับอันดับที่สองนะคือทั้งฝั่งในและฝั่งนอกน ะ, ะก็คือเรื่องของอายตนะภายในแล้วก็อายตนะภายนอกนะเราถ้าเราเปรียบเทียบดูอุปมาปไมยของพระเจาเนี่ยคุณผูมถือมันจะลึกซึ้งมากในสมมติท่อนไม้ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยกว่าจะไปถึงทะเลเนี่ยนะฝั่งในฝั่งนอกเนี่ยมีตลอดตลอดเลยนะจนถึงทะเลนู่นเลยนะ <c oughs> เหมือนงานคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าคุณจะปฏิบัติอยู่ขั้นไหนคุณจะเป็นพระก็ตามเป็นค า, ารวาสก็ตามเนี่ยผัสสะอายตนะภายในภายนอกมีตลอดมีตลอดมีตลอดจนกระทั่งกว่าคุณจะบรรลุเป็นบาอาจรย์นั้นอนาคามีก็ยังมีโซดาบันก็ยังเจอสกทาคามีไม่ต้องพูดถึงมีแน่นอนจนกระทั่งไปถึงกว่าที่คุณจะบรรลุนิพพานนู่นเลยคุณจะเจอผัสสะตลอดอันนี้ <c oughs> ต้องระวังอันนี้คือก้อที่หนึ่ง <c oughs> ข้อที่สองสองข้อแรกนะภาษะภายในกับภาษะภายนอกอายตน่าภายในภายนอกนะถัดมาคือเรื่องของความกำหนัดด้วยอำนาจความเปลืน่นนะเช่นเดียวกันมันลออยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะจมเสียเองมีคําอธิบายในที่ีเนี่ยคุณโยมติว่าเอ๊ะทำไมไม้มันมันจมเสียในท่ามกลางได้แล้วก็เพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีรูกลวงอยู่น้ำเข้าไปขังหรือว่าทรายตกทับทสาอาจจะมีเศษอะไรมาเกาะ ทําให้มันจมได้แต่ซึ่งตรงนี้ก็คือความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินนั้นที่ราคะซึ่งถ้าเราได้ความสุขใดๆแล้วเราเพลินสมมติขราว่าอย่างเงี้ยได้ชื่อเสียงกิตยศเพลิน <plain S 2> ไปอันเนี้ยมันเป็นตันหาที่จะค่อยอเหมือนกับเป็นวัชพืชค่อยมางอกคลุมใช่ไหมคลุมเสร็จปุ๊บเนี่ยทําไมวัชพืชถึงโค่นต้นไม้ต้นใหญ่ได้ <C> e <an> เพราะความที่มันปกคลุมเสร็จปุ๊บใบมันก็แผลกว้างัากแผลกว้างฝนตกใส่แล้ ด, ดูฝนหนึ่งดูดูฝนที่สผ่านไปจนกระทั่งมันหักโค่นลงมาได้ <S <S นะเช่นเดียวกันไอ้การที่ราคานเนี่ยเป็นการครอบคลุมของกิเลสของตัณหาซึ่งมันจะดึงเราเนี่ยลงต่ําให้จมนะจมไปสู่อบายภูมินะโรกกาเนิดเจริญช้เปรตวิสัยพวกนี้นะไม่ควนไปอย่างยิ่งค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นประการที่2ที่เป็นอุปสรรค ในระหว่างที่เราประพฤติปฏิบัติซ<ช>ึ่งถ้าเรารู้คุณค่าแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่อยากจะไปให้ไกลที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปถึงการล้<อ>นไปถึงนิพพานนะคะท่านผู้ฟังค ะ, ะสาหรับท่านผู้ปฏิบัติเนี่ยยังคิดว่าตรงนี้สําคัญมากเลยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเราต้องไปไกลถึงนิพพานแต่ระหว่างทางแค่สองข้อที่เป็นอุปสรรคเนี่ยยังคิดว่าเรามองออกแล้วว่าเราเนี่ยเจอกันอยู่ทุกๆวันเลยแห่งการปฏิบัติใช่นิมนต์ต่อเลยค่ะ อ่าข้อที่1คือฝั่งในเนีเป็นอายตนะภายในข้อที่2คือฝั่งนอกคืออายตนะภายนอกอันนี้ไปคู่กันตลอดอ๋อค่ะอันนี้นับ2ไปแล้วใช่แล้วข้อที่3ก็คือความเพลินในความกำลังด้วยอำนาจความเพลินอันนี้เกิดขึ้นได้แม้แต่คนที่ได้สมาธิก็ตามในอย่าเพลินในสมาธิอย่าติดในสมาธิอันนี้ก็เป็นข้อที่สามนะข้อที่4ี่คือความสำคัญว่าเรามีเราเป็นในความสำคัญว่าเรามีเราเป็นเนี่ยเป็นเหมือนกับไปติดแห้งเกยตื้นอยู่บนบก นะบางทีแม่น้ําอาจจะมีเกาะกลางแม่น้ําหรือว่าคุณอาจจะพ้นจากฝั่งในด้วยพ้นจากฝั่งนอกด้วยแต่บานด้านมีเกาะกลางแม่ น, า น, าน้ําเนินทรายอย่างนี้เป็นต้นขึ้นไปติดแห้งก็ไปไม่ได้นะนี่ก็เปรียบเที่ยวกับคนที่คิดว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันจริตอย่างนี้ไม่ปล่อยวางาฉันเป็นคนอย่างนี้คือเป็นมี m a นะสําคัญว่าตัวฉันเป็นอย่างนี้ฉันต้องเป็นแบบนี้ฉันอันนี้เท่านั้นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วเราก็จะไปไม่ได้ติดแงกอยู่ ไอ้ความติดแงกเนี่ย เ, เป็นสิ่งที่มันจะเป็นอุปสรรคกับเราแลยังรวมถึงความสําคัญมั่นหมายว่าเอ้ฉันบรรลุขันนั้นกันนี้แล้วฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นไอ้ความติดยึดทั้งหมดความสําคัญว่าเป็นตัวตนอันนี้ต้องระวังข้อที่4อันนี้นข้อที่สี่นะข้อที่ห้าแล้วก็ถูกมนุษย์จับไว้ในตัวมนุษย์จับไว้เนี่ยเขาเปรียบเทียบอย่างนี้คุณโยมติ๋วเหมือนกับไม้ที่ลอยมาตามน้ำเนี่ยถ้าคนเห็นเนี่ยเขาเห็นว่าจะใช้ประโยชน์ได้เขาจะเกี่ยวขึ้นไปใช้ทันที ค <c oughs> ันนี้มันเป็นอย่างนั้นนนี้คือถูกมนุษย์จบยับใบแตเช่นเดียวกันนะถ้าคุณออกบวชแล้วนะอย่างาเป็นพระเนี่ยออกบวชแล้วนะก็ยังไประคนเกี่ยวกับเรื่องหัดอยู่เรื่อยนะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะอันนี้ขำ ม, มากเลยคุณหยบติว <c oughs> มีสามเณรองค์หนึ่งนะเข้ามาบวชในพรรษาแล้วก็ปรากฏว่าไม่รู้ยังไงวันหนึ่งนั่งสมาธิตอนเช้าในสะ4่ตีห้าเนี่ยจิตสงบรวมลงไปเป็น1อันเดียว นะลืมตาขึ้นมาเนี่ยโอ้จิตสบายมากเลยก็เลยคือเป็นเนนใหญ่แล้วนะเนนโตแล้วอายุ2ย<ม>ี 20, 2> <ช>่น้อยแล้วไม่ใช่เนนน้อยแล้วก่อนมาบวช น, นี่ก็ได้มีคู่มั่นอยู่นะพอตัวเองจิตสงบลงไปเนี่ยก็นึกถึงคู่มั่นตัวเองว่าจะไปสอนธรรมะเขาละนะตอนเช้าก็ไม่ไปบินตบ่าทีนี้นะสะพายย่ามเข้าไปในหมู่บ้านเลยว่าจะจะไปเทศให้อา่าอะไรคู่มั่นฟังอะไรเงี้ยนะก็ยังเราคนอยู่ได้ขนาดอยู่เนะี่ยเป็นเรื่องที่เขาเล่ามาให้เรามาฟังค่ะอ่า ถ้าเป็นคารวาสถ้าเป็นคารวาสแล้ก็เปรียบเส ม, มือนคนที่ยังคลุกคลีอยู่ด้วยกับเพื่อนร่วมงานะอะไรต่างๆเป็นอันมากวางกันเนอกค่ะ น, นี้ก็เป็นความปรารถนาดีของคนปกติธรรมดานะคะถ้าได้รับสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะรู้สึกถึงคนที่เรารักใช่ใชแต่สำหรับผู้ที่บนเส้นทางนีท่านกำลังจะบอกว่าเรามีคนรักไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะท่านคะ คนรักเนี่ยเราเรามีได้คนรักเนี่รักแบบไหนนะต้องทําความเคลียร์นิดหนึ่งหมายถึงความรักความเมตตาเนะีเมตตาในส่วนที่อยู่ในบรมวิหารอันนี้ต้องมีพระเจ้าก็มีนะอารยาใสของพระเจ้าอารยาใสของบ้านก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้รักคนด้วยรักคนด้วยครอหัตในที่นี้หมายถึงว่าทํากิจการงานด้วยกันจะไปปลูกข้าวเป็นทูดให้นะเขาสุขเราก็สุขตามเขาทุกเราก็ทุกตามอันนี้เขาเรียกชื่อว่าไม่ดีนะค่ ะ, นะคะ จะไปไหนถ้าแวกข้างทางมันก็มีโอกาสถึงช้าใช่ใชถูกมนุษย์จับไวอ้ออันนี้นอุปสรรคประการที่ห้าถูกข้อทีอ่ห้าแล้วข้อที่หถูกอะมนุษย์นะอะมนุษย์จับไว้แตตัวนี้ก็มีคําอธิบายวันนี้ว่าบางทีไม้ที่ลอยมาเนี่ยเป็นไม้จันทร์นะไม้จันทร์ไม้ดีแล้วก็จะถูกพวกรุกขเทวดานี่เอาขึ้นไปทําวิมานของตัวเองอวันนี้ก็มีคําอธิบายไว้นะซึ่งแสดงว่าเทวดาที่เอาขึ้นไปเนี่ย จะต้องเป็นเทวดาชั้นที่ไม่ได้สูงมากเช่นอาจจะอยู่ในชั้นจตุมาราชิกาในะพวกรุกขเทวดาซึ่งจะสร้างวิมานด้วยด้วยไม้ด้วยอะไรพวกนี้อยู่ถ้าเป็นเทวดาที่สูงขึ้นไปเช่นดาวดึงก็จะไม่ใช่วิมานแบบนี้ละ่ะในอะไรก็ตามในที่นี้ก็เปรียบเทียบกับคนที่นั่งสมาธิภาวนาเพื่อที่จะหวังความเป็นเทวดาอันนี้มีนะคุณโยมที่มีคนที่ปรารถนาความเป็นเท้าส ก, กเทวราชก็มี คนที่ปรารถนาความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็มีนะคนที่ปรารถนาว่าตัวเองอยากได้เป็นพรหมก็มีนะมีหมดซึ่งตัวนี้ก็คือเหมือนกับถูกมนุษย์จับไว้ค่ะเป็ น, ปนขอประทานโทษนะคะนี่เ ป, นเป็นเจตนาของเจ้าตัวเองใช่ใช่ใช่อ๋อค่ะอ่าหรือหรือแม้แต่คนที่ปรารถนาพุทธภูมินะคนที่ปรารถนาพุทธภูมิใช่อยู่ปรารถนาการหลุดพ้นอยู่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ ขอเ ป, เป็นเทวดาเป็นนุ่นเป็นนี่หาบริวารแะ่งต่างก่อนแต่ในความเป็นธรรมเนี่ยจะจะนับรวมพวกที่จะต้องเนิรนช้าจากการที่จะบรรลุเนี่ยคือแน่ล่ะคุณปรัถนาความเป็นพระพรุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องเนิรนช้ามันก็ต้องไปอีกนานมากละ่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในประเภทนี้ถูกอาบมนุษย์จับไว้และก็ถัดมาเกลียวน้ําวนนะคือบางทีเนี่ยมันมีน้ํากระแสน้สําสวนหมามันก็จะเป็นเกลียวน้ํำวนนะซึ่งเกลียวน้ําวนในที่นี้คือการมกุลหา นั่นคือเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายบางทีถ้าถ้าในตามหลักทางวิศวกรรมเนี่ยถ้าพื้นท้องของแม่น้ำเนี่ยมันไม่เรียบเนี่ยนะคุณหยงติมันจะเกิดเป็นคลื่นขึ้นนี่มันจะเกิดเป็นคลื่นบางทีมันตกลงแผ่นดินสุดลงไปมันจะเป็นคลื่นและตรงคลื่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของน้ำมวนเกิดขึ้นได้ น, นั่นตรงเนี้ยคือเป็นลักษณะที่มันจะดูดเราลงไปนั่นก็คือการบุคุณห้าให้เสียเวลา ถัดมาข้อสุดท้ายนะคือเน่าเสียเองในภายในนั่นะก็คือคนที่เป็นคนทุ่ตซีนนะมีความเป็นอยู่ลา ม, มกไม่สะอาดนะนึกแล้วก็กินแหน่งตัวเอง เ, ออเน่าเสียเองในภายในนี้เป็นเพราะความที่น้ํามันขังอยู่แ ล, แล้วมีอะไรไปอุดไปอัดมันนะทําให้มันผุเน่าอยู่ในข้างในมันก็จมลงนะไปต่อไม่ได้ถูกทําลายไป<ะ>เหมือนกับคนที่มีวาระซ่อนแฝงด้วยนะอันนี้บางทีบางคนเนี่ย มาอยู่วัดหรือว่าเข้ามาสู่ทางธรรมละไปวัดปฏิบัติธรรมบ้างแต่ไปวัดนี่ก็เอากิเลสไปอวดกั น, นมีวระซ่อนแฝงไปเพื่อหาดาวลายหาลูกค้าอะไรต่างแล้วก็มีเป็นคนที่ปกปิดซ่อนเร้น น, นี้ก็ชื่อว่าทําให้เนินชาด้วยค่นะนะคะนี่ก็เป็นอุปสรรคของการที่จะไปนิพพานซึ่งในเรื่องราวต่างตตรงนี้ถ้าคุณยมติควพิจนารณาดูนะทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ตลอด ตลอดเส้นทางที่ไปนิพพานไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้ปากแม่น้ำปากแม่น้ำที่จะออกสู่ทะเลเนี่ยมากเท่าไหร่พวกนี้ก็ยังจะมีอยู่เพรา ะ, ะนั้นเราประมาทไม่ได้เลยค่ ะ, อะขอไปท่านโทษนะคะท่านค ะ, <c oughs> ะสำหรับที่ท่านได้ เ, ล, เล่ามาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่อุปสรรคข้อที่หนึ่งว่าอายตนะฝั่งในฝั่งนอกซึ่งหมายถึง เขาเยอะะอุปสรรคจากฝั่งในฝั่งนอกใช้คำนี้ปะคะก็คืออายัตนะภายในภายนอกของเรานะคะความกำหนัดด้วยอํานาจความเพลินของเราความสำคัญว่าเป็นตัวตนการถูกมนุษย์จับไว้ซึ่งในที่นี้หมายถึงว่าระคนด้วยค้ารือหัดอยู่กหรือมนุษย์จับไว้ก็คือลุกคเทวดาเอาไปแต่ว่าฟังแล้วต้องอธิบายนิดนึงว่า อ่าเพราะว่าไปพึงพอใจในอย่างอื่นก่อนคือปรารถนาอ่าปรารถนาความเป็นเทวดาค่ ะ, ะนะคะแล้วก็แม้กระทั่งท่านบอกว่าปรารถนานิพานแต่อาจจะปรารถนาแบบว่าขอแวะอย่างอื่นก่อนใช่ใช่ ด, ด ย, ดวยความะะเป็นโพธิสัตว์เป็นต้นค่ะอ่าข้อที่เจ็ดถูกเกลียวน้ําวนคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจับไว้นะคะใช่แล้วก็สุดท้าย เน่าเสียเองในภายในคื อ, อคือตู้ศีลอันนี้ค่ะดิฉันฟังแบบเป็นเป็นคนธรรมดานะคะเป็นคาราวาสบางคนก็อาจจะไม่ทราบเลยตั้งแต่ต้นว่าอ๋อพวกเนี้ยเป็นอุปสรรคนะคะโดยเฉพาะข้อแรกๆเนี่ยด้ฉว่าธรรมดานะคะคือมนุษย์เราเนี่ยจะรู้มากเลยว่าพอคิดตามไปโอ้โหใช่เลยที่พระพุทธองค์ตรัสว่าไอตัวเราเองนี่แหละ ตาหูจมูกเล้นกายของเรานี่แหละหรือว่าความที่เหลือๆเนี่ยท่านอยากทราบว่ามันต้องเรียนลําดับเกิดหนึ่งสอสมสี่ห้าหอย่างนี้ไหมเพราะว่าท่านพูดถึงว่าไปตามกระแสะน้ํานะคะหรือว่าไม่หรอกทุกอย่างนั้นมันเกิดได้ปนๆกันพร้อมๆกันก็ได้ใช่ใช่สามารถเกิดได้ตลอดทั้งตลอดทางเนี่ยจะเกิดได้ตลอดได้ตลอดจนถึงกว่าจะถึงปากแม่น้ําบางทีตรงปากแม่น้ําเนี่ยมีเกลียวน้ําบนเพราะด้วยความที่พื้นท้องของแม่น้ําไม่สม่ําเสมออาจจะเป็นได้ แล้วะะตรงนี้เราจะถามว่าเราอยู่ในกระแสน้ําที่มันจะพาไปสู่ทะเลได้อย่างไรการอยู่ในกระแสนี่แหละสําคัญ <c oughs> ซึ่งซึ่งถ้าเราดูศัพท์นะแม่ต้องพูดนิดหนึ่งว่าอาร์ตมาเนี่ยรู้สึกดีใจมากที่ได้เรียนภาษาบาลี <c oughs> แต่เพราะว่ากระแสนี่คือโสตะโสตะโสตานี่คือพูดถึงกระแสนะ <c oughs> ถ้าคุณรักษากระแสเข้าสู่กระแสตรงนี้ได้ตลอดเนี่ยคุณจะหลบไอ้พวก8อย่างนี้ได้หมดนำะไปถึงทะเลแน่นอนคอืม <c oughs> โสตะเหรอคะใช่โสตะาหรือโสตาเนี่ยคือผู้ที่ถึงกระแสถึงกระแสอ่าในที่นี้คือเหมือนกับว่าต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะไปนิพพานแล้วในสายน้ำสายนี้เป็นสายน้ำแห่งนิพพานใช่แล้วมีกระแสอยู่ฉันอยากขอความเข้าใจชัดอีกครั้งหนึ่กระแสคืออะไรคุณโยมติ๋วฟังทำมาังนานเนี่ย<ช>ๆๆกระแสคืออะไรคุณโยมติวว๋วบาอืม ผู้ฟังต้องวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าเราพูดถึงประสูดเราพูดถึงเรื่องเนี้ยเราพยายามคิดว่า ก, กระแสนเนี่ยคืออะไรหมายความว่า เ, เราต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในทางที่จะไปตรงจุดปลายทางนั้นถูกต้องทางนี่ก็คือมรรคนั่นหนิงอุตสาหทุเลขาที่ฉันตอบถูกเพราะฉะนั้นกระแสก็คือเส้นทางที่จะให้คุณไปถึงนิพพานนั่นก็คือมรรคหนึ่นงหนิงคุณต้องรักษามรรคของคุณตลอดเวลา แต่ถ้าคุณอยู่ในทางอยู่ในมรรคแล้วไอ้แปดอย่างนี้ไม่มีปัญหาอันนี้พูดมาเพื่อเตือนสติกันเฉยๆแต่ถ้าเราอยู่ในมรรครักษาศีลเจริญสมาธิปฏิบัติภาวนาะอยู่เรื่อยๆเนี่ยพวกนี้จะมาอยู่เราจะเห็นอยู่เราจะผ่านอยู่อย่างฟังในฝั่งนอกเราผ่านตลอดแน่นอนแต่ว่ามันจะจับเราไม่ได้แต่บางทีเราอาจจะเจอการมคุณเจอน้ำวนอยู่ก็ผ่านไปมันจะจับเราไม่ได้มันก็นเป็นเครื่องทดสอบเฉยๆนะคะคือสรุปแล้วถ้าหากว่าตรงนี้อาจจะจํายากอยู่สักหน่อยนึงอ่าให้ไปจําเป็นหลักว่า ต้องรู้ว่าหนทางที่เราจะไปนั้นต้องไปอย่างไรตระหนักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พาตัวเองอยู่ในหนทางนั้นแต่ก็ที่ท่านได้พูดถึงพระสูตรในวันนี้ดีมากเลยนะคะคือเหมือนกับว่ามันทําให้เราวิเคราะห์ได้ถูก ง, ง่ายเข้าอ่ะออ๋อพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้เออใช่จริงๆเลยเป็นอย่างนี้นะนะคะค่ะก็คงจะสนทานากับท่านได้เพียงเท่านี้นะคะได้ๆเอาไว้ติดตามรับฟังกันสําหรับพระสูตรอื่นๆซึ่งล้วนแล้ว แต่จะมาช่วยเกื้อนหนุนทําให้ความพยายามในการที่จะทําตามคําสอนของพระศาสดาเพื่อทุกน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนอาจจะไม่เหลือความทุกข์อยู่อีกเลยนั้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นกราบมัศ ก, การขอบพระคุณท่านนะคะเชี่ยบานท่านฟังที่รครบครัและนี่ก็คือรายการสันสนีสนทนาเป็นการสนทนาธรรมนะคะระหว่างดิฉันสันส น, ส น, นาคพงษ์และพระภัยบุญอภิปุนโนะทางสถานีทีวีครอบครัวข่าว f m ฟเอซึ่งเราก็มีการ เชิญชวนให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เข้าสู่กระแสตั้งแต่ตอนต้นของรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธินะคะแล้วก็นำพระสูตรเอามาเป็นพระสูตรพระสูตรเลยให้ท่านได้รู้ว่าพระพุทธองค์นตรัสไว้เต็มๆอย่างไรก่อนที่จะมาค่อยๆทำความเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับผู้ที่อาจจะยังไม่คุ้นชินใน วิธีการที่จะเข้าใจคําสอนของพระศาสดาเพราะว่าบางครั้งอาจจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยคําสอนอื่นๆแวดล้อมที่ปรากฏมาก่อนหรือว่าเรายังไปไม่ถึงแต่ต้องให้พระภิกษุที่ท่านได้ศึกษาแล้วก็รอบรู้เนี่ยนะคะมาบอกเราวันนี้เราก็จะลาท่านฟังทั้งหลายไปเพื่อที่จะนัดมาฟังกันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้เราจะได้เป็นผู้ที่มั่นใจว่าเนี่ยเราอยู่ในกระแสแล้วก็เรารู้ทางว่าเราจะไป ได้ถึงปลายทางได้อย่างไรให้ดีที่สุดนะคะติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พู้ทว่าสวัสดีค่ะ